สประมาณสัมปยุตตทุกกะ 3. ปัจยวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัย 54. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามา รำมัจจ า, าวธรรมที่วิปยุจฉาปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่วิปยุจฉาปรามาสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มก่อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันที่วิปยุจฉาปรามาสธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่จำปัจุบด้วยปรามาธทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาธให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่จำปัจุบด้วยปรามาธธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่จำปัจุบด้วยปรามาธและที่วิปยุจจากปรามาธทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาธให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัำปัจุบด้วยปรามาธ ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสิห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาและที่วิปยุทธ์จากปรามาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขัน 2. สองสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาธทำสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาธและที่วิปยุจจากปรามาธให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จ <vì S 2> ิตตาสมุทฐานรูปทำขันที่สัมปยุจด้วยปรามาธและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาธและที่วิปยุจจากปรามาธทำสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาธ และที่วิปยุจเฉาะปรามาตยให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุต ป, ปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุจด้วยปรามาตยและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่สัมปยุจด้วยปรามาตยและธรรมะหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไน ห้าส nah ิบหกเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสัจจะตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสี่วาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระ อาเสวนาปัจใจมีสี่วาระกรร ม, มปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ะ, อ, าราาระอนุโลมจบสองปัจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่วิปยุจฉาปรามาธธรรมสภาวธรรมที่วิปยุจฉาปรามาธ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตดสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากปรามาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นน่าเหตุกะเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมจากขวิญญาณทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจจากปรามาธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสองปัจยะปัจญจิยะสองสังคยาวาระสุทไทนห้าสิบแนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอารามณปัจจัยมีสามวาระนาอธิปต ah. <Indeed. S 1> ิปัจใจมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสัมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสียปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจใจมีสี่วาระนปัจชาชาตปัจจัยมีเ้าวาระนอเศวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจใจมีสี่วาระ ณวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระณจานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนาเถปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญียะ ห้าิบนอาอรมาณปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีสามวาระหน้าทิปฏิปัจใจมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้ส ป, ปัจจะยปัจจญิญานุโลมหกสิบอรมณะปัจใจกับหน้าเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิคัตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยะวาระเหมือนกับปัจจยะวาระ สองป rama sa sampayutta t h u k หสังสัถวาระหนึ่งถึงสปัจจญานุโลมเป็นต้น6กสอสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปร r มา a เปิดรคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปร r มา a เพราะเหตุตกปัจจัยย่อสุทไนยัย62เหตุก ป, ปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระนเหตุปัจจ네ัยมีหน anyway ึ่งวาระนณทิปติปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอเสวณปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากกะปัจจัยมีสองวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระการนับทั้งสองอย่างนอกนี้และสัมบยุตตะวาระพึงเพิ่มอย่างนี้52ปรมาสสัมบยุตตทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย63สาสภาวธรรมที่สัมบยุต ด, ด้วยปรามา เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยปรามาตโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแฉ่สัมปยุทธะขันโดยเหตุปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแฉ่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแฉ่สัมปยุทธะขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจากปรามาตโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่วิปิยุจากปรามาตเป็นปัจจัยแห่สัมปยุจฉาขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัย 64. สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาต เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปะยุดด้วยปรามาตโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่สัมปยุดด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุดด้วยปรามาเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่สัมปยุดด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปะยุดด้วยปรามา เป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาดโดยระมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่สัมปยุจ ด, ด้วยปรามาซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่สัมปยุจ ด, ด้วยปรามาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่วิปยุจจากปรามาวิจิกิจฉาอุทัจจะ โทมณัติจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย 65. สภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากปรามา เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจจาปรามากโดยธรรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโภสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคะที่วิปยุจจาปรามากวิจิกิจฉาอุทัจจะโทมณตจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌาน พระอริยะออกจากมักแล้วพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปั จ, จยแก่โคตรภูวโวทานมักผลและอวัชนะจิตโดยรมณัจจัยพระอริย์พิจารณากิเลรที่วิปยุ์จากปราหมาซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเรที่ข่มได้แล้วรู้เิเรที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขัน ที่วิปยุจจากปรามาดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคาที่วิปยุจจากปรามาวิจิกิจฉาอุทะจะโทมนณะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักปุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่วิปยุจจากปรามาด้วยเจโตปริยญาณ อากาสานัญญยตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญญยตนะอากิญจัญญยตนะเป็นปัจจัยแห่ใเนวสัญญาณาสัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแห่จักผูวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ่วิปยุจากปรามาตเป็นปัจจัยแห่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยนธากามูปัขยาน อนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมงปยุทธ์ด้วยปรามาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่วิปิยุจจากปรามา รอบปราบราบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย 66. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารามณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นสะหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันธ์ โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากปรามาตโดยอาทิตติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่วิปยุจจากปรามาจึงเกิดขึ้นชาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาและที่วิปยุจจากปรามาโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือชาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามา เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสิบสภาวธรรมที่วิปยุจากปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากปรามาตโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 โดยอธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพล่อเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุจจากปรามาสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพล่อเพลิพลนจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุจจากปรามาสจึงเกิดขึ้นสหช า, าตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปยุจจากปรามาสเป็นปัจจัยแค่สัมปยุจตะขัน และจิตตสมถานรูปโดยธิฏฐิปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจยาปรามาตเป็นปัจจัยแื่สภาวธรรมที่สัมพยุ ด, ด้วยปรามาตโดยธิฏฐิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลิงกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลเพลิงกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่สัมบัติยึดด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุจจากปรามาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมบัติยึดด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย 68สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแห่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากปรามาสโดยอนันตรัพปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาส เป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตรปัจจัย69สภาวธรรมที่วิปิวจักปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจักปรามาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่วิปิยวจักปรามาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปิวจักปรามาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมละถึงเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัตโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่วิปีติวิจากปรารมาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรารมาตโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรารมาตโดยอนันตรัปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยสหจาตปัจจัยเป็นต้นเจสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรารมาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรารมาต โดยสหาชาตะปัจจัยมีหวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยปัจจเจ71สอสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาเป็นปัจัจแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปานิสยาอันันตารูปนิสยและปัตูปนิสยา ปะกะตูปะนิจยะได้แก่ราคะที่สัมปยุดด้วยปรามาโมหะความปรารถนาเป็นปัจจัยแห่ราคะที่สัมปยุดด้วยปรามาโมหะความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยปรามาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิวิจักปรามาโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออะระมณูปะนิสยาอันตรูปนิสยาและปกะตูปะนิสยา ภคะโตปะนิจยะได้แก่บุคคลในศัยราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n a อาศัยโมหะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาความปรารถนาแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n a ฆ่าสัตว์ทำลายสงราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาโมหะความปรารถนาเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะโทสะ โมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายพภะสมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัย 72. สภาวธรรมที่วิปยุจจปรามาเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่วิปยุจจปรามาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออะระมณู ป, ปนิสยอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีม a ณนะอาศัยศีลปัญญาราคะ m า n น a ะความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นข่าสัตว์ทำลายสงอาศัยสุขทางกายเสนาสนะแล้วให้ทานและถึงทำลายสงศรัทธาปัญญาราคะม a n นะความปรารถนาสุขทางกา ย, นะสกายเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะ m a n ะ ความปรารถนาสุขทางกายพระสมาบัติโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบยุญัตด้วยปรามาโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมโูปาเนสยาอนันตโรปาเนสยาและปกะตุ ป, ป, ปาเนสยาปกะตุปาเนสยได้แก่เพราะอาศัยศรัทธาราคะที่สัมบยุญัตด้วยปรามาจึงเกิดขึ้น พราอาศัยศีลเสนาสนะราคะที่สัมปยุด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นสัท ธ, ธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่สัมปยุดด้วยปรามาความปรารถนาโดยอุปาณิสย ป, ปัจจัยปุเรชาตะปัจจัย7จสภาวธรรมที่วิปิวิจจประกอมาจเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวิจประกอมาจโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณปุเรชาตะ และวัตถุปุเรชาตะอรามณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุจจาปรามาสวิจิกิจฉาอุทจัจชะโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษขลุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะ เป็นปจัจจัยแก่จักขู่วิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขู่วิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุจจากปรามาโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุธ์ด้วยปรามาโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารุคความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ มหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุด้วยปรามาตโดยปรชาตปัจจัยปัจราชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยเจ็ดสิบห้าสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจาปรามาตโดยปัจราชาตปัจจัยย่อสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจาปรามาตโดยปัจราชาตปัจจัยย่อ สภาว sociedad, ธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตโดยอาเสวนาปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นเจสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันโดยกรรมปัจจัย สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากปรามาตโดยกรร ม, มปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่จิตตสงังโานรูปโดยกรร ม, มปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและขตตารูปโดยกรร ม, มปัจจัย พึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่สัมปยุทธด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากปรามาตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะปัจจัยได้แก่เจตนาที่วิปยุทธิจากปรามาต เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันและจิตตะสมุทานรูปโดยกามะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปิยุจฉาปรามาตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและขตัตารูปโดยกามะปัจจัยละถึงเป็นปัจจัยโดยวิปากขปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารขปัจจัยมีสีวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสีวาระ เป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสวาระเป็นปัจจัยโดยมรคราปัจใจมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยเ6สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุตจะปรามาตโดยวิปยุตจปัจจัยมีสองอย่างเคชาชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวิจจะปรามาตโดยวิปิวิจจปัจจัยมีสามอย่างเคสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะยอ่อสภาวธรรมที่วิปิวิจจะปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตโดยวิปิวิจจปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัต ถ, ถุเป็นปัจจัยแก่ ข, ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตโดยวิปิวิจจปัจจัย อธิปัจจัย77สภาวธรรมที่สัมบูรณด้วยปรามาเป็นปัจจัยแก <Yao S 1> ่สภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยปรามาโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมบูรณ์ด้วยปรามาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองสภาวธรรมที่สัมบูรณด้วยปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจักปรามาโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมบูรณด้วยปรามา เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและที่วิปยุทธ์จากปรามาตโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองเจ็ดแปด สภาวธรรมที่วิปยุจฉาปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจฉาปรามาตโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาติปเรชาตะปัจชาชาตะมหาระและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่วิปยุจฉาปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาตโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขาภัยวัตถุ เพราะปราลบความยินดีเพลเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาโดยอัิปัจจัย79สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาและที่วิปยุทธจากปรามาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยปรามาโดยอัิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ขันหนึที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและหทัยวัตุเป็นปจัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและที่วิปยุทธ์จากปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากปรามาตโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหาช า, าตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและหมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและโกลิงกะราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตและรูปปัจฉิวตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ข ต, ตารูปโดยอธิปัจจัย 1. ปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนแปดสิบ เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิจยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิจยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ ปัจชาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวะนปัจจัยมีสองวาระรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจใจมีหนึ่งวาระอาหาราปัจใจมีสี่วาระอินทรียปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคะปัจใจมีสี่วาระสัมำยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระ นัติปัจจมีสี่วาระวิคตะปัจจมีสี่วาระมาวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมจบสองปัจจียุทธาระแปสิบเอ็ดสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตโดยอรหันต์ปัจใจสะช า, าตปั จ, จัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาตโดยอรมณปัจจัยชาชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาสและที่วิปยุจจากปรามาตโดยสาชาตปัจจัย 82. สภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาต โดยอรหมนะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาเนสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิชฌาปร r มา a เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปร r มา a โดยอรหมนะปัจจัยอุปาินสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปร r มา a และที่วิปยุจจากปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาตโดยชาชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาตและที่วิปยุจจากปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาตโดยชาชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย 2. ปัจจะยปัจจนิยะ สสังขยาวาระสุทนัย83ดนเหตุปัจจัยมีเจดวาระนอาอรมณ์ปัจจัยมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนอนันตรัปัจจัยมีเจดวาระน่ะสมณันตรัปัจจัยมีเจดวาระน่สหชาตปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนนิสยปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสัยปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีเจดวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจดวาระนมะขาปัจจัยมีเจดวาระนสัมบัญญตปัจจัยมีห้าวาระนวิบยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนอัติปัจจัยมีสี่วาระโนนาิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตปัจจัยมีเจดวาระ โนอวิคตะปั จ, จัจมีสี่วาระ 3. ปัจญจานุโลมปัจญจิยะเผตุทุกขนแปดสิบณอารมณะปัจจัยกับเพตุปั จ, จัจมีสี่วาระณอธิปติปัจัจมีสี่วาระณอันันตระปั จ, จัจมีสี่วาระณสมนันตรปัจัจมีสี่วาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระณอุปาินสยปัจใจมีสี่วาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่วาระนมคคะปัจใจมีสี่วาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจใจมีสี่วาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระ 4. ปัจยปัจจิยานุโลม 85. อารมณปัจจัยกับณเหตุปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีหวาระ เพิ่งเพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระประมาณะสัมปยุตตาทุกะจบห้าสิบสามประมาณะพรามัทธาทุกะหนึ่งปฏิจจวาระ หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระเหตุปัจจัยแปสิบหสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปารมาสแต่ไม่เป็นปรารมาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรารมาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมยุติขันและจิตตสมุทนานรูปอาศัยปรารมาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาสแต่ไม่เป็นปราม า, าส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตรเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึ่อเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในสภาวธรรมที่เป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตร แ ต, แต่ไม่เป็นปรามาสเกิดข um, ึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ปรามาสอาศัยขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเป็นอารมณ์ของปรามาสและที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามปรามาสและจิตตสมุทานรูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรารมาตแต่ไม่เป็นปรามาตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรารมาตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปรารมาตเป็นอารมณ์ของปรารมาตและที่เป็นอารมณ์ของปรารมาตแต่ไม่เป็นปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทัยนรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของปรารมาตแต่ไม่เป็นปรามาต และอาศัยปรามา a เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง่อวาระทั้งหมดพึงทำเหมือนประมา a ทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันห้าสิบสามประมาศาปรามาทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัย8ปดสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามา a แต่ไม่เป็นปรามา a เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาตแต่ไม่เป็นปรารมาตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอารมณ์ของปรารมาตแต่ไม่เป็นปรารมาตเป็นปัจจัยแค่์สัมบยุญัติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาตแต่ไม่เป็นปรารมาตเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นปรารมาตและเป็นอารมณ์ของปรารมาตโดยเหตุปัจจัยได้แก่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 โดยเหตุถปัจจัยอารมณะปัจจัยแปสบปสภาวธรรมที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตโดยอา yep, รมณะปัจจัยมีสามวาระเ พ, เพิ่มคำว่าเพราะปรารภเหมือนกับประมาสทุกขา89สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาต เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรารมาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารากความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคะวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนาจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌาน พระอริยะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุอาทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาแต่ไม่เป็นปรามาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจักผุพึงเพิ่มบททั้งปวงจนถึงอวชนะจิต สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรม ท, มที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถละถึงยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันที่เป็นอารมณ์ของปามาตแต่ไม่เป็นปามาต เพราะปรารภความยินดีเพลเพลนจากสุเป็นต้นนั้นทิฏฐิจึง เ, เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นปรามาตเป็นอารมณ์ของปรามาตและที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถและถึงยินดีเพลเพลนกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาแต่ไม่เป็นปรามาเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพ ล, เพ ล, เพลเินจากสุขเป็นต้นนั้นปรารมาและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นแม้นอกนี้ก็มีสามวาระอย่างนี้เพิงเพิ่มคำว่าเพราะปรารบทุกละนี้เหมือนกับปรารมาสทุกละไม่เพึงเพิ่มโลกุตระเข้าในที่ซึ่งมีไม่ได้ ห้ประมาณวิปยุตตาปรามัถทุกประหปฏิจจวาระหนึ่งปฏิญานุโลม 1. วิพังคาวาระเหตุปัจจัย90สภาวธรรมที่วิปยุจจาปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจาปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่วิปิวิจจะปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปิวิจจะปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจจะปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อพึงทำเหมือนโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกัน ประมาณะวิปยุตตาปรามัฏฐทุกะจบประมาสะโคจกะจบ